g c h เราจะได้ฟังธรรมกันในขณะที่เราได้สมทานศีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จเจริญจิตตะภาวนาตั้งในด้านของสมาธิจิต ตลอดถึงการทำให้แจ้งคำว่าการทำให้แจ้งเนี่ยมันก็เหมือนสิ่งที่เราไม่เห็นทำให้เรามองเห็นในความมืดก็เกิดแสงสว่างขึ้นมา นี่คือการภาวนาถึงขั้นของสติปัญญาที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ถึงสภาวะในความเกิดและก็ความดับ ผู้ญญที่จเจริญภาวนาจนถึงจุดหนึ่งต้องรู้แจ้งถึงความเกิดและก็ดับเหมือนที่เราเริ่มต้นการกำหนดลมหายใจก็เห็นความเกิดและก็ดับลมเข้า ลมออกจริงๆร่างกายของเราไม่ได้หยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวเลือดก็ยังหมุนเวียนอยู่ตลอดเมื่อไรหยุดนิ่งวันนั้นคือวันที่พวกเรามวยมอรณา ร่างกายนิ่งหมดทุกส่วนแสดงว่าเราดับแล้วดะนั้นการภาวนาเนี่ยที่บอกให้กำหนดรูปกายนะคือใหม่ๆก็เราอาศัยการดูรมการภาวนาไปก่อนหรือพุทโธไปก่อนเพราะจิตตั้งมั่น อารมณ์เป็นหนึ่งเดียวไม่วกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจไม่เสียสมาธิเราก็สามารถที่จะนิ่งรู้อยู่ลักษณะของผู้ภาวนานใหม่ๆเขาเรียกว่านิ่งรู้นิ่งรู้อยู่ จนถึงความสงบอันก่อให้เกิดในฌานของสมาธิจิตจะเกิดปีติสุขก็แล้วแต่จนถึงจิตเข้าถึงอุบเบกขาก็คือจิตที่วางเฉยธรรมาจิตวางเฉยเนี่ยก็คือว่าอะไรก็ตามที่มีที่เป็นที่รู้เนี่ย ก็คือจิตนั้นไม่ได้ยึดมันเขาเรียกจิตวา่าเป็นอุเบกขาก่อนนั่นหมายถึงว่าไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายถ้าใครภาวนาได้จุดนี้นะอาตมาก็บอกว่าโยมเนี่ยมาไกลพอสมควร ทัวนี้ก็เพราะเราเนี่ยยินดีแล้วก็ยินร้ายจริงไม่เป็นตัวของตัวเองเรารู้สึกเหมือนถูกปั่นตามกระแสพอดีก็แบบหนึ่งพอยินร้ายก็แบบเนเราไม่เคยตั้งมั่นเลย ในจิตของตัวเราเองถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดโดยไม่ได้กำหนดรู้เลยน่าสงสารยมนึกดูมันเหมือนสุนักสมมุตินอะสุนักเขาเอาซี่โครงกระดูกหรือซี่ซี่โครงไก่ล่อก็วีงตาม วิ่งจนเหนื่อยสุดท้ายเขาก็เอาไปขังหรือเอาไปฆ่าหรือจับผูกเอาไว้เขาลอกอเออทำไมไส้เดือนกลายเป็นปลาก็เพราะว่าไส้เดือนเป็นตัวล่อ ปลาไปเห็นไส้เดือนว่าเป็นเยื่อแต่จริงๆคำว่าเหยื่อคือตัวของตัวเองเมื่อ ง, งับเหยื่อก็ตกเป็นเหยื่อถึงบอกไส้เดือนเลยกลายมาเป็นปลาระหว่างนะพวกเราเหยื่อล่อมีเยอะมากล่อทางตาทางหู ทางรูปทางกลิ่นทางรสทางการสัมผัสแม้แต่ใจของเราที่ยินดีแล้วก็ยินร้ายเขาจะล่อไปเรื่อยๆจนถึงทางตันพอถึงทางตันมันเหมือนแก้ไขอะไรก็ไม่ทันแล้ว ทำอะไรก็ไม่ได้ถึงบอกเออมนุษย์สุดท้ายก็ไม่พ้นทุกข์ก็เพราะเหยื่อล่อนีเองถ้าจิตของโยมตั้งมั่นได้ปื๊บโลกทั้งใบจะหมุนไปยังไงก็ให้โลกเขาหมุนไป แต่สติจิตของเรานั้นไม่ได้ยินดีมากแล้วก็ไม่ได้ยินร้ายมากเพียงแต่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอิทธารมหรืออนิธารมอารมณ์ที่ชอบก็มีสติอารมณ์นี้ไม่ชอบก็มีสติและก็ว่างเสีย ไม่ใช่ว่าพอชอบแล้วต้องยึดนะถ้าอย่างนี้เรายังไม่ไปไหนเรายังไม่ไปไหนเหมือนยังท่องกอเอ๋ยกอไก่อยู่เรายังไม่ไปไหนในที่สุดมนุษย์ก็มาหลงอยู่กับรักชอบเกลียดชัง ผูกพัชีวิตไปจนตายแสดงว่าจิตก็ติดอยู่กับความยินดีหรือความยินร้ายเรายังไม่รู้จักอุเบกขาธรรมธรรมที่เป็นอุเบกขาก็คือรู้ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายเนี่ยใจเราตั้งอยู่แล้ว ใช้สติเอาเหตุผลแล้วก็ดำเนินไปตามวิถีชีวิตแต่จิตนั้นเป็นผู้มีความตั้งมั่นมีปกติจนจิตเข้าสู่อุเบกขาพอจิตวางเฉยไดย้พอเลื่อนอีกขั้นเดียวเท่านั้นเองโยม เขาเรียกว่าจิตไม่ยึดมั่นแล้วทีนี้พอไม่ยึดมัน่นถือมัน่น mm hmm. นั่นแหละก็คือจิตที่ได้ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยตัวนะปล่อยตัวผมเผ่าไม่หวีน้ำท่าไม่อาบฟันไม่แปลงสุขภาพไม่รักษาอย่างนี้มันไม่ใช่ ที่จะนำไปสู่ปัญญานะแต่นั่นเป็นชีวิตที่ไม่มีไม่มีจุดหมายไม่มีปัญญาสุดท้ายก็ไม่มีสติพอเราเข้าถึงเราก็ปล่อยวางเมื่อจิตปล่อยวางก็แสดงว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น จึงเรียกว่าปล่อยวางเมื่อจิตปล่อยวางได้นั่นแหละคือว่างจากการปรุงแต่งว่างจากการปรุงแต่งที่ยึดมั่นหม่ได้ไหมโยมจิตไม่มีคำว่าต้องเสียใจเมื่อพบคำว่าความสูญเสีย เมื่อพบคำว่าผิดหวังแต่จิตก็ไม่มีคำว่าผิดหวังเพราะไม่ได้ยึดอะไรเลยก็เพียงที่ว่าดำเนินไปตามวิถีชีวิตไปตามเหตุตามผลตามเหตุตามปัจจัยถึงบอกเออพอกำหนดกรูปแยกรูปได้กำหนดนามในจิตนี้ได้ ยมก็จะรู้หน้าที่ของกายที่เราจะต้องทำและต้องรักษาหน้าที่ของจิตที่เราจะต้องกำหนดรู้ความจริงทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ติดอยู่ในความจริงเลยถึงบอก กว่าเราจะรู้สรรพสิ่งทั้งหมดต้องเกิดวิปัสสนาก่อนวิปัสสนานี่เรารู้ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงคำว่ามีญาณแห่งความรู้ลึกเกินจากปุถุชนผู้ยังมากด้วยกิเลสที่จะรู้ได้ ตรงนั้นเขาเรียกเป็นคุณวิเศษของแต่ละคนันแล้วแต่ว่าท่านจะรู้แค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่ต้องรู้ก็คือท่านรู้กายไม่ยึดกายนี่คือสิ่งที่รู้จริงไอ้ที่พวกเราพูดมาทั้งหมดยังรู้ไม่จริงเขาเรียกว่ารู้แบบสมมติ แล้วก็ยังติดสมมุติอยู่ไม่ใช่รู้แบบวีมุติบอกรู้กายไม่ยึดกายเห็นกายก็ไม่ยึดกายธารมาเคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งยมจำได้ถ้าผู้ติดตามบ่อยธรามาบอกว่าถ้าเราจับต้องสัมผัสอยู่กับสิ่งไหนใจเราไม่ยึดติด จ ก, กับสิ่งนั้นนั่นคือความหลุดพ้นที่โยมภาวนาเนี่ยนั่งอยู่มีร่างกายเดินอยู่มีร่างกายยืนอยู่นอนอยู่ก็ตามจริงๆมันเป็นเพียงที่อาศัยในจิต ท, ที่ท่องไปในถ้ำโคหาน้อยใหญ่จนถึงท่องไปสู่ ยาววากว้างสอกหนาคืบก็เหมือนรูปร่างที่เรามีอยู่นี่แหละแล้วพอถึงจุดหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ไปจากร่างนี้อีกรูปนี้สุดท้ายก็คืนกลับไปสูด่ดินน้ำลมไฟอย่าไปทึกทักมากนะ สวยโสภาได้ไม่กี่เวลาพัฒนามาสู่วัยแก่ชราในที่สุดแก่ชราได้ก็ไม่ทนทานสุดที่จะเยียวยาเกินกว่าที่จะรักษาถูกพัฒนาไปถึงความตายในที่สุด มันก็มีแค่นี้รูปร่างที่เรานั่งจึงบอกกำหนดได้เลยอยางว่ารู้กายเห็นกายภายในกายตัมมาก็บอกรู้กายเห็นกายภายในกายรู้แบบไห น, นบอกเออเรารู้กายเกิดจากดินน้ำลมไฟ ประชุมเข้าในธาตุสี่ยังชีวิตอาศัยอยู่ด้วยขนมนมเนยเข้าวปลาอาหารนี่คือลักษณะที่ดำรงอยู่จเจริญเติบโตอยู่เรารู้กายเราก็เห็นกายอยู่มีลักษณะที่ไม่เคยหยุดนิ่ง อวัยวะทุกส่วนก็ทำงานเลือดลมก็สูบฉีดหัวใจก็ปั๊มปอดก็ทำงานมีหน้าที่ไตก็มีหน้าที่กนแล้วแต่อวัยวะแต่ละส่วนก็มีหน้าที่เหมือนเป็นโรงงานใหญ่คอยหดคอยย่อยคอยส่งอาหารคอยส่งสารอาหาร ของเสียมีการคัดทิ้งมีการส่งไปสู่ลำไส้ใหญ่ขับถ่ายออกไม่เคยหยุดนิ่งต่อให้โยมนอนหลับหัวใจไม่ได้หลับตุบตับตุบตับแต่ถ้าหัวใจหลับไปด้วยโอ้โหเป็นการหลับที่ไม่ต้องตื่นเลยเห็นไหมโยมตุบตับตุบตับตุบตับ ถ้ายิ่งออกกำลังกายเห็นชันเลยเวลายิ่งเหนื่อยปุ๊อายุมากๆมันก็จะเต้นออกมานอกหัวใจเลยปุ๊ถึงบางคนบอกหัวใจเต้นหัวใจชันจะวายให้ได้เราเห็นในกายนี้ไม่คงที่เลยมีลักษณะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนอยู่ตลอด ทั้งลมเข้าลมออกเออรู้กายเห็นกายภายในกายเนี่ยเรามองในที่สุดเรารู้แล้วเป็นเพียงอาการสามสิบสองตับปอดม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า ในที่สุดวัยสู่วัยล่วงตามวัยและเราก็ต้องเสื่อมไปในที่สุดที่พระเจ้าตรัสว่าวายะธรรมาสังคาราเนี่ยสังขาราขามีความเสื่อมไปตอนเป็นหนุ่มเป็นสาว เราก็อย่าไปดีใจมากเพราะเขาแบ่งให้แล้วเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาววัยสูงอายุกลางคนสูงอายุและวัยชาราเขาแบ่งให้แล้วสุดท้ายพอกำหนด รูปกายที่นั่งยืนเดินภาวนาหยุดไม่มีอะไรต้องยึดเลยมีแค่ดูแลรักษาเขาเหมือนเรามาอาศัยเขาพอแยกได้เรารู้ว่ากายนี้สุดท้ายก็แตกดับ โยมจะไปคร่ำควรวญอะไรกันนักกันหนาแต่มาก็ว่าเสียเวลาพอกำหนดได้น่ะอันนี้จังโยมก็รู้จักทุกขังโยมก็กำหนดได้ความแตกดับสบรรพสิ่งที่มีทุกอย่างสุดท้ายมันก็ เราบังคับบัญชาไม่ได้ในเมื่อเราบังคับบัญชารูปกายที่นั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ไม่ได้เหตุเช่นไหนใหญ่ลือยึดถือว่าตัวตนว่าเป็นของเราโดยที่ไม่ยอมปล่อยวางบ้างเราคิดผิดหรือคิดถูกยมว่า ในเมื่อบังคับบัญชาไม่ได้จะมาลองแล้วสั่งเลยวันนี้กลายเป็นของข้าข้าเป็นเจ้าของเจ้าเป็นของข้าข้าเป็นเจ้าของรู้ไหมจะมาคุยกันเรียบร้อยแล้วใต้แสงจันทร์ในค่ำคืนหนึ่งมาตกลงกันนะเออ ตกลงกันให้ได้อยากได้อะไรเดี๋ยวจะหาให้จะกินอะไร ด, ดีเดี๋ยวจะจัดให้แต่ขอให้ทำตามที่เราต้องการทุกทุกอย่างเข้าใจไหมพูดไปเสร็จมันเฉย จงอย่าเจ็บอย่าปวดอย่างง่วงอย่าหาวอย่าหลับอย่านอนอย่าหิวมันไม่เชื่อสักอย่างเลยบอกอย่าหาวเนี่ยมันจะตายให้ได้โยมบอกมันง่วงจัดจัดเข้าโอ้ยบอกอย่างง่วงนี่ฉันสั่งแล้วนะเป็นของฉัน บอกอย่าเจ็บอย่าปวดโอ้ยไม่ไหวมันอยู่ตรงกันข้ามหมดเลยต่อกํำหนดแล้วกายเราบังคับเขาไม่ได้เมื่อบังคับเขาไม่ได้เหตุแช่ไหนใหญ่ือยึดถือตนว่าเป็นของเราอย่างมั่นหมายเนะี่ยเราทุกทักแล้ว อาตมาตอนตอนหลังๆก็สรุปว่าเหมือนเราเป็นผู้อาศัยเขาอย่างมากก็เหมือนเป็นบ้านเช่าตอบแทนด้วยข้าวปลาอาหารขนมน ม, นมเนยหยกยาแค่แค่นี้จุดท้ายอาตมาบอกเราบังคับไม่ได้เลย ให้ผมร่วงนะไม่ได้ฟันอย่าปวดนะสายตาอย่ายาวอย่าสั้นนะไม่ได้สักอย่างเลยไม่ได้ไวอายุของเราปีผ่านไปแต่ร่างกายให้เหมือนเดิมนะ ไม่ได้สักอยาก่อางอ้าวไม่ทำตามแล้วแสดงว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้หนวดใหญ่ยาวนะเขาใหญ่ยาวขี้เกียจโกนแล้วโกนทุกวันโกนพลาดก็เลือดไหลอีกพอแล้วโกนเมื่อวานเช้าพอผ่านเช้าอีกวันหนึ่งเขียวปืดขึ้นมาแล้ว กโกรธไปมันก็ไม่เชื่อเออสรุปว่าเจ้าไม่เชื่อเราเลยใช่ไหมมันก็เฉยมันไม่ได้มารับรู้อะไรกับเราเลยอเออถ้าอย่างนั้นก็ต่างคนต่างอยู่เข้าใจกันและต่างคนต่างจากเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไป อย่างนี้ดีกว่าพอตกลงกันได้ผู้ต้บอกกาหนดรูปกาหนดยังไงก็เห็นไม่เที่ยงกี่ร้อยกี่พันครั้งก็เห็นอย่างนี้กาหนดก็เห็นอย่างนี้ไม่กาหนดจิตก็รู้ว่าร่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ตอนหลังเลยไม่ได้กาหนดว่ารูปกายไม่เที่ยงแต่ว่าเราได้สติ เราได้ปัญญาในการกำหนดรูปตามสภาวะที่เกิดเห็นตามความเป็นจริงพอเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมะบอกเออแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของร่างกายสุขทุกข์ดีใจเสียใจมันเป็นบทบาทอารมณ์เป็นลีลาของ เราต้องมากาหนดแนกะ่เจ็บตายเป็นของร่างกายใช่แก่เจ็บตายเป็นของร่างกา ย, กา ย, รากายหรือโยมยังบอกว่าเป็นของเราอยู่ถ้าเป็นของเราเนี่ยธรมาไม่เอาต่อมมาไม่อยากแก่ไม่ต้องการแก่ไหนใครอยากแก่บ้าง มเมื่อเช้าเป็นลมไปคนนึ่งแล้วก็เพราะแก่นั่นแหละโยงนั่งฟังทรรมอยู่ดีๆนายนิรยยบาลมาส ก, กิดบอกไปไหมไปได้หรือยังจะชวนให้ไปเป็นลมเป็นแรงต้องส่งโรงพยาบาล อ, อือ คนเรา เ, เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้แตมารู้แล้วแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายแตมาไม่สงสัยเลยธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งพิสูจน์เรายิ่งสัมผัสได้ยิ่งต้องการรู้ความจริงถ้าเราปฏิบัติจริงเนี่ย เราสัมผัสได้สุดท้ายเราบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้ใยลือยึดถือว่าตัวตนว่าเป็นของเราโดยมั่นแท้เนี่ยไม่ใช่ยืมเข้ามาแล้วก็คืนเข้าไป ใหญ่มานั่งโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันเนี่ยเรากำลังหลงแล้วหลงพบชาติที่เกิดในอายุสั้นๆร้อยปีต่ำลงมาเสียส่วนใหญ่พอกำหนดใหม่บอกเออเรื่องกายเรารู้แล้วเรื่องกายเรื่องรูปรู้แล้วทีนี้ก็มากำหนดเอาสติดจดจอ่อ โดโดนโดเดียวเดียวเรื่องเดียวคือจิตกำหนดปึกอะไรเกิดอยู่ข้างในในที่บอกนั่งทางในเขาเรียกนั่งกำหนดรู้ภายในจิตทั้งหมดเรื่องจิตล้วนู้วนนั่งกำหนดปึก ลงคิดดูวันเดือนปีถ้าเราจดจ่อกำหนดจริงๆนะมันได้ผลเนหะมือนที่ธรมาเคยกำหนดอยู่ประมาณหกเดือนได้ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนา่งอยู่ในป่าเป็นป่าชากนะกำหนด จิตจะไม่ส่งออกเลยนางดูนี้ดูกายดูจิตดูชีวิตดูธรรมดูศีลดูสมาธิดูกายดูจิตดูชีวิตดูธรรมวนอยู่ตรงเนี้ไม่ส่งไปเลยข้างนอกไม่ไปไหนไม่ไปเที่ยวไม่เดินทางไปไหนทําให้เหมือนกับไก่กกไข่ พออุณหภูมิมันพอเพียงก็จะฟักไข่ก็จะฟักออกมาเป็นตัวถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ฟักหรือว่าตายนึง่งหรือว่าถูกสัตว์อื่นมาฉกไปก่อนตอนหลังตะมาก็มีอีกสับอีกช่วงปิดประตูตีแมว จะไปไหนไปแต่ไปไม่ไกลเพราะอยู่ในห้องปิดหมดประตูหน้าต่างปิดหมดหนีไปถีใจเร็วจะจเก่งยังไงก็อยู่ในห้องนี้แหละแต่ถ้าเปิดประตูหน้าต่างได้ถ้าไปแล้วไปยาวเลยนะปิดประตูตีแมวจิตไม่ส่งออกนี่คือกำไรที่สุดการภาวนา ทุกอย่างนอกไม่เข้าในไม่ออกถ้าภาวนาะอย่างนี้ได้แต่มาบอกได้เลยว่าสามเดือนเนี่ยมันนานพอแลนะ้วที่เราจะเรียนรู้แล้วก็รู้ในจิตของเราเนี่ยได้อย่างมากนี่พวกเราเดี๋ยวโดนมายาเดี๋ยวเสษแทง ย้อมกันอยู่ไม่รู้จบสงบได้หน่อยเนี่ยสักครู่ก็ฝอยแตกละคุยกันจนไม่รู้ว่าไปไหนแล้วเบลอจนน้ำลายอยู่ข้างปากแล้วเป็นฟองแล้วดูไปดูมานึกว่าเป็นแฟบถึภาวนาจริงเนี่ย ต้องนิ่งก่อนไม่แยกภาวนาก่อนแล้วมาพูดเยอะไม่ใช่ต้องดูให้ถึงจุดนั่งกําหนดเชื่อมั้ยว่ากายเรานั่งหยุดนิ่งจนยุงกัดไม่ขยับกัดไปเลยนั่งกัดแต่ก็ต้องมีปัญญานะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ไปนั่งให้ยุงกัดที่มียุงลายที่มีเชื้อมาเรียเนี่ย ก่อนจะบรรลุตายเช่ก่อนนะอาตมาไม่เกี่ยวนะเราเราต้องต้องรู้ด้วยว่าเป็นประเทศอันสมควรที่เราอยู่ตรงนั้นบอกว่าใช่เราจะนั่งไม่ไม่ขยับเป็นไหนพวกกำลังยิงข้ามหัวปลาระเบิดข้ามหัวอยู่ต่อมาบอกไปที่อื่นดีกว่ามื้อ เราก็ต้องรู้การสมัยนะไม่ใช่พวกยิงข้ามหัวอยู่ทุกวันบกช่างตกมาก็ตายแล้วนี่คิดอย่างนั้นไม่ใช่ก็ไปขวางทางปืนมันก็มีสิทธิ์อยู่แล้วอย่ก็ลุกขึ้นไปที่มันปลอดภัยหน่อย อตตมาก็เลือกในการภาวนาที่ปลอดภัยเหมือนกันพอถึงจุดหนึ่งพอเราได้สภาวะตั้งเลยกบนอกไม่เข้าในไม่ออกนั่งดูโยมเชื่อไหมขยับนิดเดียวรู้หมดกายขยับก็รู้จิตจะพรุงจะแต่งขยับปุ๊บรู้สัญญาจะเกิดปั๊บเห็นโอ สนุกภพาวนาอย่างเงี้ยสนุกมันเห็นจริงว่าแวบมาปั๊บความคิดนี้เกิดนั่งดูยมเคยดูความคิดจนความคิดลันลายพูดเหมือนคุยเนยะคือมันหายไปพออารมณ์นี้เกิดขึ้นในขนาดจิตที่ถูกปรุงแต่งก็นั่งกำหนดดูพอเราไม่ปรุงแต่งเพิ่มไอ้สิ่งนั้นมันก็ค่อยมอดมอดมอดแล้วก็ดับ ออใจมนุษย์ที่ไม่สิ้นกิเลสก็เพราะมันถูกย้อมเข้ามาอยู่ทุกวันเดี๋ยวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่ได้กำหนดจริงๆพอนอกไม่เข้าในไม่ออกกชัดมากเลยยู สติเป็นตัวเฝ้าเลยเหมือนเจ้าของบ้านมีคนมาเคาะประตูแล้วปอกปอกปอกไม่เปิดมีคนอยู่ข้างในจะออกไม่ให้ออกแน่ตัมมาบอกโอ้โหคำว่าสติยิ่งใหญ่คุ้มครองโลกได้จริงๆสติมาโตสภาพัดทาง ผู้มีสติย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อไม่ธรรมดาดนะใครละ่ะเคาะประตูฉันเองฉันใครละ่ะมีอะไรกลับไปยังไม่ต้อนรับแขกไอข้างในก็อยากจะออกไปเพราะอะไรที่จะออกมันเคยสับสาย จิตที่มันเคยไปไหนมันจะไปที่นั่นนะโยมจําไว้นะ่ะมันก็เหมือนงูเนี่ยดีๆพอถึงเวลามันเกิดความละความอยากความกสันความกระเสือกกระสนความทุรนทุนทนรายจิตมันจะวุ่นวายเอาคนเคยเที่ยวทุกวันนะ่ะพอตกมืดสองทุ่มสามทุ่มแล้วเอาแล้วมันกับเครื่องเ ต, ตรียมเดินอะ ้าบอกไม่ได้ไปแล้วแม่ยอมตายใช่ดีกว่าถ้าไม่ได้ไปมันคิดอย่างนั้นจริงๆนะถ้านักเที่ยวนะถ้ายิ่งเที่ยวติดต่อมาสักสี่ห้าหเดือนหรือเป็นปีนะพอได้เวลาแล้วก็โอ้ยห้ามไม่อยู่นะพ่อก็พ่อแม่ก็แม่เดียห้ามไม่อยู่จะไปให้ได้แต่วันนี้เรามีสติเฝ้า พอมันจะออกจะไปไหนบอกพูดดีนะ้จะไปกระตันยูหน่อย <c oughs> จิตมันฉลาดนะจะไปแสดงความกระตันยูหาพ่อหาแม่ที่ไหนได้ไปไม่ถึงครึ่งทางมันแยกซ้ายไปแล้วแม่เดยแม่โองเดยเออมันฉลาด มันจะไปกระตันอยู่จิตมันก็เลยเชื่อสติก็เลยถูกหลอกไปก่อนอมันไปกระตันอยู่ที่นาด้านมันเลี้ยวซ้ายไปแล้วบ้านแม่ตรงไปแล้วขวานพราะถึงเวลาเนี่ยโยมต้องสู้กับตัวเองแกตมากาหนดแล้วนะว่าไม่มีสงครามใด ที่ยืดเยื้อและยาวนานที่สุดเท่ากับสงครามชีวิตของตัวเองสงครามจิตตัวเองเราต้องสู้กับจิตตัวเองเนี่ยต้องสู้ทั้งชีวิตสงครามเขาเกิดทีปีครึ่งปีเดือนสองเดือนสมเดือนแต่สงครามชีวิตกว่าเราจะคําว่ารบชนะเนี่ย ไม่รู้นานแค่ไหนโยมต้องรบกับตัวเองคำนี้เริ่มเกิดคำว่าธรรมาบอกคำว่าฝึกก็คือคำว่าฝืนเราต้องฝืนตัวเองใหม่หมดทุกอย่างฝึกฝนตัวเองไม่ใช่ปล่อยตามตัวเองเราจะฝึกฝนจิตทั้งว่าเราต้องฝืน จิตเดิมของเราโอ้โหโยมว่ามันง่ายหรือไม่ง่ายหรอกอะไรที่เคยชอบแล้วมันจะชอบเชื่อไหมแค่โยมบอกชอบสีนี้นะพอเห็นปุ๊บใจเอาแล้วนะพอบอกแตะรถอาหารที่โยมเคยชอบมาพอคนชอบเผ็ดพอเผ็ดปั๊บใช่เลยบางคนพอชอบเปรี้ยวพอเปรี้ยวบอกใช่เลย นั่นเขาเรียกเป็นขันธะสันดาษหรือเรียกหนว่าเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ภายในยากที่เราจะชนะฝ่าฟันมันไปได้อย่างบางคนนั่งพอนานนั่งไว้ชังพักโกโรธนะจิตเกิดความโกโรธกุดหิดฟุง้งซ่านถ้ามาเคยฝึกพระแล้วบอกเออนั่งไป้ จนสว่างค่อยเลิกพระท่านบวชใหม่อินทรบารมีก็ไม่แก่ใจที่เคยท่องเที่ยวอยู่ก็ยังติดอยู่ใช่หแล้วให้มานั่งนิ่งสงบจิตโอ้ยยากเดินพลานวนเลยปุบปับปุบปับพระสี่ห้าสิบตอนนั้นตอนนี้สาขาเยอะก็แบ่งกันไปตอนหลังธรรมมาก็บอก ท่านรู้ไหมเวลาจิตฟุ้งซ่านท่านยังสงบจิตที่ฟุ้งซ่านไม่ได้ถือว่าจิตนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสติไม่ได้อบรมจิตเลยมีแต่ท่านั่ง มีแต่ท่าเดินมีแต่ท่ายืนแล้วก็หายใจหดหาดถอนหายใจยามันจะถูกฆ่าแลโยหน้านี่บอกบุญไม่รับเลยนั่งทำสมาธิแต่ว่าหน้าดูนิ่งเย็นสงบเปล่านั่งกระสับกระสายฟุดฟัดฟุดฟัดดูแต่นาฬิกาถ้ามีพลังจิตหมุนได้ในหมุนนาฬิกาไปแล้วนะ จะมาก็เลยบอกเมื่อจิตเราวุ่นวายท่านจงมีสติแล้วก็ดูจิตที่วุ่นวายและอย่าไปปรุงแต่งดูมันจนกว่าจิตที่วุ่นวายให้มันสงบลงจิตที่ยังเล่าร้อนร้อนรอนอยู่มีสติกาหนดดูจิตขนาดนี้จนกว่าจิตดับเย็นลง ทำให้ได้แล้วต้องได้ถ้าไม่ได้เรายังไม่ได้ฝึกจิตของตัวเองเราปล่อยจิตเราต้องฝึกถึงจะฝืนก็ต้องยอมถึงจะอดถึงจะต้องทนก็ต้องพยายามโอ้ที่แท้คำว่าฝึกคำว่าการฝึกหัด ก็คือการฝืนฝืนทนในสิ่งที่ตนเองทำได้ยากเราก็ต้องทำจุดนั้นให้ได้ในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราต้องพยายามทำให้ได้นั่งกำหนดรู้ยืนดูจนกว่ามันสงบแม้ความโกรธจะเกิดท่านจงหยาดแสดงออกมา ให้รู้อยู่ในจิตแล้วจงดับความโกรธให้สนิทลงไปถ้ายังทำไม่ได้อย่าเลิกภาวนาเด็ดขาดอย่าเลิอกอย่าทิ้งอย่าวางนั่งยืนเดินนอนกำหนดภาวนาจิตขณะจิตนี้ให้ได้ตลอดถ้าทำได้ชนะครั้งเดียวและท่านก็จะชนะและจะชนะชนะชนะไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเรายอมแพ้แล้วก็จะแพ้แพ้แพ้จนไม่มีคำว่าเราจะชนะอีกเลยและบอกว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่ถ้ายอมตายนี่ทำได้หมดจริงๆถ้าเรายอมถึงที่สุดแล้ว เราจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเราไม่เคยยอมใครเลยเราก็จะไม่พบคาว่าความชนะเราจะไม่รู้เลยถึงบอกเออตอมาบอกนอกไม่เข้าในไม่ออกสติ ตั้งมัน่นทำความและรูร้จิตนี่เขาเรียกวิธีสติกำหนดจิตจะเกิดอะไรขึ้นในสภาวะภายในเนี่ยพอเรารู้เสร็จอย่าเพิ่งไปปรุงแต่ สมมติเห็นความสวย เ, เห็นสวยมาเกิดความชอบสติรละลึกรู้แล้วว่าใจเราเกิดปฏิฆะขึ้นหรือเกิดราคะขึ้นหรือเกิดความไม่ชอบขึ้นมานทั้งสองอย่างดูจิตตัวเนี้แล้วใช้ธรรมะมาแยกแยะชอบเพราะอะไร ไม่ชอบเพราะอะไรหาเหตุผลไม่ถึงที่สุดและยมจะเข้าใจมันเหมือนอยู่ๆเด็กผิดแล้วก็ตีเลยเราไม่ได้บอกเขาไม่ได้อธิบายบางทีเด็กยังรู้ไม่ถึงที่เรามองเห็นมันเด็กเอาไม่ขิดมาจุด เราเจอลรวก็ตีตีตี ต, ต, ต, ตีรู้ไหมไฟเล่นไม่ได้รู้ไหมถ้าติดแล้วจะไปอยู่คนที่ไหนตีตีจนเด็กไม่เข้าใจเราต้องบอกให้เขาเห็นคุณเห็นโทษกว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรต่อถ้าเกิดอย่างนี้จะเป็นยังไงพอเขาเข้าใจเพียงครั้งเดียวนเขารู้แล้วว่า ไปเป็นอันตรายถ้าเขาไปจุดทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินวอดวายผิดทั้งกฎหมายเป็นทั้งคดีความและดีไม่ดีถึงกับฆ่าคนตายได้ที่เรียกว่าวางเพลิงหรือไม่เจตนาก็ทำให้ถึงกับผู้เสียชีวิตก็เป็นบาป ก, กรรมได้และติดคุกได้เหมือนกัน โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอความผิดใช่ที่จุดไม่ขิดเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันจิตเราเพอกำหนดท่านในไม่ให้ออกนอกไม่ให้เข้าแตมาบอกยมเฝ้าดูดีๆนะแตมาให้สามเดือนในบรรชายมฉลาดกว่าเดิมเยอะเลยคิดอะไรออกกว่าเก่ามากมองอะไรเห็นได้ไกลกว่าเดิมเยอะ เชื่อไหมว่าปัญญาไม่ใช่มาจากความจำสัญญาอย่างเดียวนะปัญญาที่มาจากจิตภายในจิตเนี่ยลึกซึ้งกว่ายเยอะเยอะมากเลยนะยมรู้ไหมจิตตัวนี้มันสั่งสมทับถมมาเท่าไหร่ที่ว่ารู้เนี่ยกีพบกี่ชาติที่มันได้พบที่มันได้เห็นที่ได้เจอที่ได้เจ อ, ท, เจอที่ได้ผ่านมา โอโ้มากมายมากจนเราคาดไม่ถึงพอโยมเริ่มภาวนากำหนดพอสติต้องให้ได้ก่อนสติต้องตั้งให้มันอนาจมาฝึกแรกๆไม่ได้เอาสมาธิก่อนฝึกสติก่อนวจจะอยู่เน้นแต่ความสงบ จนเราสติยังไม่รู้ว่าตั้งแบบไหนอยู่ๆก็วูบหายไปเลยหลับไปไม่รู้ตัวพอลืมตายทีเอาห้าทุ่มแล้วเรไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าการภาวนาที่อ่านจิตรู้จิต หรือเข้าใจสภาวะเห็นความเกิดดับอาสดาบันเห็นความเกิดดับถ้าโยมกำหนดภาวนาได้พอเข้าถึงบทแห่งความรู้แจ้งเห็นความเกิดดับโสดาบันไม่ไปไหนไกลหรอกโยมอยู่ใกล้ๆพวกเราเนี่ยแหละรู้แบบเห็นโดยความไม่เที่ยงเนะี่ยไม่ใช่รู้แบบจำและพูดนะ แต่ว่าจิตนั้นเห็นโดยความไม่เที่ยงแล้วความยึดมั่นหมายเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดอุปทานที่เป็นทุกข์ร้อนใจพอเกิดแล้วท่านก็วางได้อย่างสมมติว่ายมจำได้ไหมเรื่องของลูกหลานนางที่ว่า จะต้องตายนะที่ไปหาเมล็ดพันผักกาดมาโอโหนางทุกข์มากไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วสุดท้ายก็ได้เจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกก็ไปหาเมล็ดพันผักกาดมาเป็นยาแล้วจะหายแต่มีข้อแม้ว่า บ้านหลังนั้นต้องไม่มีผู้ตายนางดีใจใหญ่เลยลูกหลานรอดแล้ววิ่งไปตามบ้านน้อยบ้านใหญ่ไปเคาะประตูขอมเมล็ดพันธุ์ผักกาดบอกมีไม่บอกมีก็จะเอาให้แต่ขอถามหน่อยว่าบ้านนี้มีคนตายหรือยัง บอกมีแล้วปู่ตายไปเมื่อหลายปีก่อนงั้นไม่เอาไปอีกเคาะหลายบ้านถามเงี้เรื่อยๆปรากฏว่าทุกๆบ้านไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตายมีคนตายหมดและยมเชื่อไม่ว่าที่ยมนั่งอยู่ใต้พื้นดินตรงนี้ มีชีวิตที่ตายทับถมอยู่เริ่มตั้งแต่สัตว์น้อยใหญ่จนถึงชีวิตสัตว์ใหญ่จนถึงมนุษย์เราไม่รู้อัตมาเคยกลัวนะเรื่องคนตายไปนั่งทับที่ทับแรรู้สึกช่วงนั้นเคยไปที่ไหนก็เป็นห่วง วันหนึ่งจิตในจิตมันเกิดรู้ขึ้นยังไงไม่รู้บอกกับตัวเองว่าไม่มีที่ไหนที่ไม่มีที่ไม่ตายเอาเข็มแทงลงไปถึงดินเมื่อไรที่นั่นก็มีคนตายมีชีวิตตายทับถมสัตว์น้อยใหญ่ตายทับถมมาไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหร่ท่านจงอย่า ก, กลัวเลยแม้ที่ท่านนั่งอยู่ ก็มีผู้ตายแล้วบ้านทุกหลังที่พวกเราสร้างนอนอยู่มีคนที่ได้ตายทั้งนั้นแล้วมีชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ที่ได้ตายอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเพียงแต่ว่านานแค่ไหนถ้ายิ่งเห็นชัดๆที่กรุงศรีอยุธยาหรืออโยธยาสงครามระหว่าง ไทยกับพมา่านะโยมโอ้โหตายกันไม่รู้ต่อเท่าไร่ต่อเท่าไหร่บ้านที่สร้างอยู่วัดที่สร้างอยู่ถนนที่รถวิ่งอยู่ยะว่าไม่มีคนตายแล้วนะทั้งนั้นเลยนะ แต่ว่านั่นเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มาจึงบอกเออเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วพอเรากำหนดได้นะจิตที่จะปรุงที่จะแต่งขึ้นโยมนั่งดูให้ดีเป็นมาหรือเป็นพระสติกำหนดก่อน กิจขนาดนี้เป็นมารหรือเป็นพระยมบอกได้ไหมว่ากิจยมไม่มีมารแล้วแตมาไม่เชื่อร้อยเปอร์ซนต์มาเชื่อโยมสักเจ็ดสิบก็ถือว่าให้เยอะแล้วนะให้เยอะแล้ววันนี้ดูเหมือนเป็นพระใช่ไหม แล้วพรุ่งนี้ล่ะยมคุ้มครองจิดได้แล้วเลยปีหน้าล่ะอีกสิบปีล่ะยี่สิบปีล่ะบอกได้ไหมว่ามันจะไม่เป็นมานก็ไมาไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเมื่อไรเราควบคุมมันไม่ได้หรือวันไหนของรัก สูญเสียไปเหมือนกับนางที่กำลังแสวงหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดสุดท้ายนางเข้าใจสัจธรรมเลยพระพุทธเจ้าเรานี้เป็นผู้เลิศด้วยปัญญาญาณไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะปัญญาญาณรู้แจ้งสุดท้ายนางเข้าใจเลยว่าไม่มีที่ไหน ที่ไม่มีคนตายลูกหลานถ้าจะตายก็จงตายเถอะมาสรุปคำนี้แล้วนะลูกหลานถ้าจะตายก็ตายเถอะมันเป็นธรรมดาเราก็ไม่ควรจะเสียใจเพราะไม่มีบ้านไหนที่ไม่ตายแม้เราเองก็ต้องตาย ลูกหลานของเราก็ต้องตายไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่เรายึดติดว่านี่คือคนที่รักนี่คือลูกนี่คือหลานนี่คือพ่อนี่คือแม่แต่มากำหนดแล้วอยู่กำหนดตรงไหนถ้าเกิดว่าคนรักของเราเจ็บพอไปโรงพยาบาลโอ้บอกห้องไม่ว่าง เดี๋ยวต้องรอเคลียร์ห้องก่อนบอกนี่ก็เจ็บรอแรกพอไปดูอันนั้นรอดแรกกว่าอีกห้อยตรงเดงเลยแล้วนะโอ้พอไปจองศาลาวัดที่ไว้ศพ บ, บอกเต็มอีก โอโหขนาดตายแล้วก็ยังแย่งกันอีกเะไรเนี้ยชาลานหนึ่งไม่ว่างต้องหนูรอรอรอเดี๋ยวเย็นนี้เผาออาพอทางนุขนทางนี้เข้าปุ๊บพอวันเผาบอกต้องรอนะเย็นๆถึงจะว่างเมนขนาดเผายัางแย่งกันอีกตามาบอกโถโถโถเราเข้าใจแล้วเราเข้าใจแล้ว เรารู้แล้วเมื่อก่อนเราไปยึดครอบครัวของเราคนที่รักเนี่ยมากจนเรารู้สึกว่าเราสูญเสียแต่จริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่กับทุกๆุคนเพียงแต่วันนี้ใครพอถึงวันที่จะจากต่มาไม่ร้องนยโยมตอนโยมพ่อเสีย น้ำตาไหลยอยู่หยดเดียวตอนที่ยืนเผาแต่ไม่ใช่ร้องแบบเสียใจนะั้นมันเหมือนกับสลดใจเม็ดเดียวไหลรู้เลยแต่สติตั้งมัน่นยืนกำหนดพิจารณาความร้อนเนี่ยก็อยู่ไม่ห่างเท่าไหร่แล้วก็น้อมจิตส่งท่าน ให้เป็นครูอาจารย์กรรมฐานพิจารณาธรรมด้วยบุญกุศลที่เกิดขึ้นในขณะพิจารณาให้ท่านได้รับส่วนบุญกุศลพี่ตายก็ไม่ร้องแถมยังนำทางให้ไปบอกเดี๋ยวร่างกายก็จะไม่เจ็บปวดแล้วไม่ต้องไปติดกับเขาไม่ต้องไปยึดเรายืมเข้ามา ร่างกายนี้มันผุเต็มทีแล้วมันมีแต่เวทนามีแต่โรคเราอาศัยเขาอยู่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องคืนก็คืนเขาไม่ต้องไปติดในภพที่เกิดแต่การจากจิตดวงนี้อย่าเศร้าหมองนาจำได้ไม่เคยไปทำบุญที่ไหนมาต่มาก็ชวนคุย จำได้ว่าเคยไปสร้างพระประธานเคยถวายอาหารพระเคยทำบุญตรงนั้นตรงนี้พระเคยมาฉันจำได้ไหมวันนั้นว่าอ๋อจำได้รละลึกถึงพระ้กำหนดดูลมหายใจไม่ต้องฟุง้งซ่านเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้วางไม่ต้องไปยึดมัดเราจาก ไปดีกว่าที่เราอยู่ตรงนี้เพราะที่นี่มันไม่มีอะไรอีกแล้วไม่ต้องไปห่วงลูกสา ม, มีเขาช่วยเราไม่ได้ตอนนี้เราต้องนำพาจิตเราเองตั้งสติให้ดีไม่ต้องทุกข์อะไรอีกแล้วความทุกข์มันสิ้นสุดแล้วพอแล้วทำจิตให้ผ่องใสนึกถึงองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอพุทธจบ บอกให้กำหนดดูลมหรือภาวนาตมาดูนิ่งนั้นนะพอนนิ่งเสร็จตมาก็ออกไปเยืนอยู่ข้างนอกประมาณสักสี่นาทีได้มั้งทางนี้เขาก็ร้องรีบออกไปบอกไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วตมาบอกดีพอข้ามาตมาก็นั่งขัดสมาธิ กำหนดจิตบอกไปเถอะไม่มีอะไรต้องห่วงมันจบแล้วภูมิชาติที่เราชดใช้สิ้นสุดแล้วให้ไปสู่สัมมาปริยภพที่เป็นบุญกุศลเป็นดินแดนแห่งธรรมแล้วกันบุญอัตรมาบำเพ็ญมาก็ให้ท่านได้รับรู้ส่วนบุญกุศลด้วย ไม่รู้ต้องร้องทำไมเพราะการร้องให้ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยกับผู้ตายโยบแถมทำให้ผู้เป็นก็เศร้ามองอีกถึงบอกเออเพอเราเข้าใจแล้วนางก็เหมือนกันถึงบอกถ้าจะตายก็ตายเห็นหั้มโยบเนี่ยแค่ว่าเขาเห็นบทไตรลักษณ์เห็นความเกิดดับถึงบอกเออ ปัญญาคนเกิดตอนทุกข์ก็มีอา้าบางคนในธรรมะเกิดตอนที่มีภัยมาถึงตัวบางคนเกิดตอนนั้นบางคนเกิดตอนรู้สึกสูญเสียบางคนเกิดตอนเหมือนตัวเองต้องล้มเจ็บหนักแล้วก็รู้สึกอะไรได้เยอะขึ้นมาจะบอกกว่า จิตดวงหนึ่งจะระลึ้เรื่องของธรรมะได้นะไม่รู้ต้องใช้พบภูิไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรกว่าบางคนจะเริ่มเข้าใจธรรมะต้องเห็นทุกข์ก่อนกบอกเออก็แล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนฉ่นั้นจึงบอกว่าเออพวกเรากำหนดรู้แล้ว จิตของโยมยังเป็นมาหรือเป็นพระโยมต้องกำหนดให้ดีตลอดด้วยนะถ้าเอาตัวตนเข้ามามันจะเอียงทันทนนะีแต่ถ้าเราเอาธรรมะเข้ามาพิจารณาเนี่ยตรงนั้นแหละจะเป็นธรรมะที่เราเชื่อได้ฉะนั้นเวลาโยมจะตัดสินใจอะไรเนะี่ย อย่าเพิ่งเอาตัวตนเข้ามาอย่าเอาความรักความชังเข้ามาเอาธรรมะมากาหนดพิจารณาและโดยเหตุผลแล้วฟันธงทำตามที่จิตเราได้กาหนดเป็นธรรมแล้วไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจทีหลังแต่บางอย่างอาจจะต้องสูญเสียยอมก็ต้องยอม โยมอยากเข้าเจ้ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดคือสิ่งที่เราจะต้องได้มาไม่ใช่บางครั้งบางโอกาสการสูญเสียหรือการเสียสละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้ไม่แน่นอนฉะนั้นขั้นตอนที่โยมจะต้องเจริญอบรมจิตสติปัญญาใครตอบแทนเราก็ไม่ได้ ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยใครมาตัดสินแทนโยมก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่รู้อยู่ไหนคนที่จะพอไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่อยู่โยมต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วจงตัดสินใจ ต, ตอนเรียนพวกเรายังมีวงเล็บใช่ขีดถูกขีดผิดแต่ชีวิตไม่ใช่ขีดถูกขีดผิดนะขีดผิดแล้วลบใหม่ไม่ใช่นะ พลาดแล้วก็คือยาวเลยบางคนตัดสินใจผิดครั้งเดียวความสุขทั้งชีวิตไม่มีอีกเลยบางคนตัดสินใจถูกครั้งเดียวนำความเจริญงอกงามมาสู่ชีวิตจนถึงวันตายฉะนั้นการภาวนาการปฏิบัติสำคัญที่สุดเมื่อโยมเริ่มเอาสติกำหนด นิ่งรู้จิตแล้วธนระรมะโยมจะรู้อะไรอีกเยอะแล้วไม่ต้องอยากรู้นะให้เกิดจากความสงบให้เกิดจากสติเวลาทำผุดปรากฏขึ้นมามันเหมือนบัวที่จะพ้นน้ำนะให้เราเห็นความเห็นตรงนั้นให้เราเห็นสิ่งต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าเห็นตลอดนะแล้วแต่ นี่มาแค่แย้มให้ดูมันคล้ายๆกับบัวที่พลนน้ำจิตบางอย่างที่รู้มันเหมือนกับปรากฏขึ้นแต่อย่าเพึ่งเชื่อจิตเป็นมารยังหลอกเราได้เหมือนเดิมเราแยกไม่ถูกว่ามารหรือพระโยมต้องเอาธรรมะมากำหนด แล้วนั่นคือคำตอบสิ่งที่ถูกต้องใช่ว่าต้องถูกใจยมจำไว้นะสิ่งที่ไม่ถูกใจใช่ว่าจะไม่ถูกต้องบางอย่างทั้งถูกต้องและก็ทั้งถูกใจมันไม่แน่นอนก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรเอานะสมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคน t h uh...